วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่30กรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบกวันนี้ท่านทั้งหลายผู้มีจิตฝ่ายธรรมมีความศรัทธามีความเลื่อมใสในพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ได้ตั้งใจกันมาเพื่อมาศึกษามาเรียนรู้คำสั่งคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละคือสาระที่พึ่งทางใจที่แท้จริง ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะเป็นสาระเป็นที่พึ่งทางใจได้นอกจากพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ของใจให้หมดสิ้นไปได้อย่างราบคาบ มีแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้น <c oughs> ที่จะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปจากใจได้ <c oughs> ต่อให้เราเป็นมหาเศรษฐีมีเงินเป็นหมื่ล้านแสนล้าน เราก็จะไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้ต่อให้เป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐ ม, มนตรีก็จะไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ทางใจได้ต่อให้เราได้เป็นผู้มีเกียรติผู้มีความสามารถในด้านต่างๆได้รับรางวัลเกียรติยศเช่นเหรียญทองหรือจุกตาทอง กางวันเหล่านี้ก็จะไม่สามารถมาดับความทุกข์ทางใจได้ต่อให้เรามีการสามารถที่จะเสพโลกเสียงกลิ่นรสโผฏภะชนิดต่างๆทั้งที่เป็นแบบปราณีตและไม่ปราณีตสิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ทางใจได้มีสิ่งเดียวในโลกนี้ ที่จะสามารถดับความทุกข์ทางใจได้ก็คือพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เองที่เรายึดถือเป็นสรณะเป็นที่พึ่งทางใจธรรมังสระน้ำกระฉามิธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจของพวกเราเพราะธรรมะนี้ก็คื อ, อยาดับความทุกข์นั่นเอง หรือเครื่องดับความทุกข์ที่เราเรียกว่าธรรมโอสถความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเรานี้ถ้าเราน้นเอาธรรมเข้ามาสู่ใจได้ธรรมก็จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปอย่างถาวรจะไม่มีความทุกข์ หลงเหลืออยู่เรื่องพื้นคืนกลับขึ้นมาได้อีกต่อไปธรรมะนี้ก็คือยาของใจยาดับความทุกข์ของใจความทุกข์ของใจก็คือโรคของใจธรรมะก็เป็นยาที่จะมารักษาโรคของใจธรรมะก็เป็นเหมือนยาที่ใช้รักษาโรคทางร่างกายคือ การที่เราจะรักษาโรคทางร่างกายได้เราก็ต้องรับประทานยาเข้าไปในร่างกายเราต้องเอายาที่จะรักษาโาครคภัยไข้เจ็บของร่างกายนี้เอาเข้าไปในร่างกายด้วยการรับประทานก็ดีด้วยการฉีดก็ดีหรือด้วยการหายใจเข้าไปก็ดีต้องมีวิธีการที่จะดึง เอาอยาเข้าไปในร่างกายให้ได้ก่อนเพราะถ้ายาถึงแม้จะเป็นยาที่วิเศษขนาดไหนก็ตามถ้ายัางไม่เข้าไปในร่างกายยาก็ไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ของอยาคือไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายได้ฉันใดธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกัน การที่ธรรมะจะมาดับความทุกข์ของใจเราได้นั้นเราจาเป็นที่จะต้องเอาธรรมะเข้าไปสู่ใจของเราให้ได้ถ้าเรายังไม่ได้เอาธรรมะเข้าสู่ใจธรรมะก็จะไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ของธรรมะคือกำจัดความทุกข์ต่างๆของใจให้หมดสิ้นไปได้ เราจึงต้องมาศึกษามาเรียนรู้วิธีการที่เราจะนำเอาธรรมะอนวิเศษนี้เข้าไปในใจของพวกเราเพื่อที่จะได้กาจัดความทุกข์ที่มีในใจของเราให้หมดสิ้นไปวิธีการที่จะนำเอาธรรมะเข้าสู่ใจนี้ก็มีอยู่สองขั้นตอนด้วยกันที่เรียกว่าปริยัตและปฏิบัติ ขั้นแรกเราก็ต้องศึกษาธรรมะคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้ากอนว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติอะไรกันบ้างเมื่อเราได้เรียนรู้ถึงวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วเราก็นําเอาไปปฏิบัติอย่างถูกต้องอย่างปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อเราได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ธรรมะอันวิเศษของพระพุทธเจ้าก็จะทยอยเข้าสู่ไปในใจของพวกเราตามลําดับแล้วก็จะเริ่มทําการกําจัดความทุกข์ทางใจที่มีอยู่ในใจนี้ให้หมดสิ้นไปตามลําดับตามกําลังของธรรมะที่เราสามารถที่จะดึงเข้ามาสู่ใจของพวกเราได้นี่คือสิ่งแรกที่เราควรจะทํากัน ก็หมันศึกษาให้รู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงสอนให้เราปฏิบัติอะไรกัน mm hmm. เรียกว่าปริยัติธรรม mm hmm. การศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็ต้องศึกษาจากแหล่งที่เป็นแหล่งที่แท้จริง mm hmm. เ, ปเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่แท้จริง ธรรมะที่แท้จริงที่เป็นคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็คือคำสอนที่มีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์พระไตรปิฎกนี้<ม>พระไตรปิฎกนี้เป็นพระคัมภีร์ที่รวบรวมเอาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงไว้ตลอดระยะเวลา45ปีด้วยกัน ตั้งแต่วันแรกที่ทรงประกาศพระธรรมคำสอนทรงสอนพระธรรมมาจากกัปะวัตตนสูตรจนถึงวาระสุดท้ายที่ทรงประทานพระปัชิมโมวาดแล้วก็ลาจากโลกนี้ไปทุกครั้งที่มีการแสดงธรรมนี้ก็จะมีผู้ผู้ได้ยินได้ฟังจดจำกันเอาไว้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระภิกษุ ที่ติดตามพระพุทธเจ้าหรือผู้ที่ได้ได้ยินได้ฟังทำที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทรงสังส่งสอนให้แก่พระภิกษุเหล่านั้นพระภิกษุเหล่านั้นก็จะท่องจำกันเพราะว่าการท่องจำนี้ก็มีประโยชน์หลายประการด้วยกันประการแรกก็จะได้ไม่หลงเล่ม คำสั่งคำสอนที่ปัญญาที่เป็นปัญญาความรู้ที่ล้ำค่าอย่างยิ่งและที่สองประโยชน์ที่สองก็จะได้เป็นการสึกเจริญสติฝึกสมาธิไปด้วยการได้สวดได้ท่องบทพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านีจะทำให้มีสติสามารถใช้ การสวดนี้มายับยั้งความคิดปรุงแต่งต่างๆได้ถ้าไม่มีการสวดปล่อยให้ใจคิดเลื่อยเปื่อยใจก็จะคิดแต่เรื่องที่จะสร้างความทุกข์ให้กับใจเพียงอย่างเดียวแต่พอได้เอามาท่องจำพระสูตรต่างๆคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าก็ทำให้ความคิดฟุ้งซ่านความคิดที่ จะสร้างความทุกข์นั้นถูกละงับไปเป็นพักๆก็จะได้ความสงบเป็นพักๆจากการสวดท่องพระสูตรต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้อันนี้ก็คือวิธีการจดจำในสมัยพุทธกาลเพราะว่าในสมัยนั้นไม่มีสื่อบันทึกเหมือนกับที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้ ปัจจุบันนี้เรามีเครื่องบันทึกเสียงมีเครื่องบันทึกภาพที่สามารถจะเก็บคำสั่งคำสอนของพระสุปฏิบันโนทั้งหลายเอาไว้ให้เป็นที่พึ่งของส า, สาธุชนลูกหลานที่จะตามมาต่อไปได้ใช้ศึกษาได้ใช้เรียนรู้เพื่อที่จะได้นำเอาไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง คำสอนของพระเจ้าที่ทรงแสดงไว้45ปีด้วยกั น, นมีมากมายเพราะในแต่ละวันนี้ทรงแสดงธรรมอย่างน้อยก็ 3-4 ครั้งด้วยกันเช่นตอนบ่ายก็ทรงแสดงธรรมโปรดศรัทธาญาตอยู่ตอนค่ำก็แสดงธรรมสังส่งสอนพระภิกษุภิกษุณีตอนเด็กก็สั่งสอนเทวดาและยามเช้าก่อนที่จะเสด็จออกบิณฑบาต ก็จะทรงเรงยานหรือว่าจะไปสอนใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นในวันหนึ่งจะแสดงธรรมประมาณสี่รอบด้วยกันซึ่งเป็นเป็นพุทธกิจที่พระองค์ทรงกระทาอยู่เป็นประจำพุทธกิจมีห้าข้อข้อที่ห้าก็คือการออกบินธบาตรโปรดสัตว์นี่คือกิจที่พระเจ้าได้ทรงบำเพ็ญตลอดเวลาระยะเวลา สี่สบห้าปีหลังจากที่ได้ทรงตัดสรุและประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สารโลกเป็นครั้งแรกไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้จากนี้โลกจากโลกนี้ไปไม่ไม่นานพระเถระก็รูปหนึ่งท่านก็มีปารลว่าควรจะรวบรวมธรรมคำสั่งคำสอนที่บรรดาพระภิกษุทั้งหลาย ได้จดได้จำได้อำนำเอาไปปฏิบัติให้เอามารวบรวมกันไว้แล้วมาตรวจสอบกันในความถูกต้องแม่นยำจึงมีการสังคานาโดยพระอาหารหันต์ตัดสาวกห้าร้อยรูปด้วยกันเป็นครั้งแรกของพระพุทธศาสนาคือการรวบรวมเอาเอาคำสั่งคำสอนที่พู้เจ้าได้ทรงแสดงไว้ ตลอดระยะเวลาส5ปีให้มาทบทวนกันแลวมาตรวจสอบกันโดยต้องใช้พรอาอรหันเพราะว่าพรอาอรหันเท่านั้นที่จะรู้ความถูกต้องแน่นยาของพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหากมีการจดจำพลาดเคลื่อนก็จะมีพรอาอรหันรูปใดรูปหนึ่งมาทักทายและมาเปรียบเทียบกัน นี่คือครั้งแรกของการรวบรวมการสังเกาการตรวจสอบพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าสามเดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้จากโลกนี้ไปและคำสั่งคำสอนที่ได้ตรวจสอบจากพระหลานนี้ก็ได้มีการจดจำถ่ายทอดกันมาจนถึงในยุคที่สามารถที่จะมีการบันทึกเอาไว้ใน ในหนังสือได้ก็ปรากฏเป็นพระคำภีพระพระไตรปิฎกนี้เองนี่แหละคือแห่งคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องเพราะได้รับการตรวจสอบจากพระอรหันต์ห้าร้อยรูปมาแล้วถ้าเราอยากจะศึกษาธรรมะที่แท้จริงที่ถูกต้องที่เป็นของดั้งเดิม เราก็สามารถไปศึกษาได้จากพระไตรปิฎกอีกแหล่งหนึ่งของธรรมะที่เราสามารถที่จะไปศึกษาได้ก็คือศึกษาจากพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าเพราะพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์นี้ท่านก็ มีการศึกษามีการปฏิบัติจนได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆจนถึงขั้นสูงสุดแต่ละขั้นก็จะสอนธรรมะที่ที่จะให้ผู้ศึกษาผู้ปฏิบัตินำมาไปปฏิบัติให้บรรลุถึงขั้นที่ผู้สอนบรรลุถึงได้เช่ <Yeah. S 1> นถ้าเป็นพระโสดาบันท่านก็จะสอนให้บรรลุถึงขั้นโสดาบันได้ ถ้าเป็นขั้นสกิดาคาอนาคาหรือข่านอารหันต์ท่านก็จะสอนในธรรมะที่ท่านบรรลุถึงได้นี่ก็เป็นแหล่งที่เราจะสามารถศึกษาธรรมะได้อย่างด้วยความมั่นใจว่าเราจะได้ความรู้ที่แท้จริงที่สามารถนำมามาใช้ในการดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของพวกเราได้ นี่คือแหล่งของธรรมสองแหล่งด้วยกันซึ่งในสบายนี้ผู้ที่ปฏิบัติการมักจะนิยมไปศึกษากับพระอริยสงสาวกันเพราะว่าการได้ศึกษาจากพระอริยสงสาวกนี้มันจะง่ายกว่าการที่ไปศึกษาจากพระไตรปิฎกเนื่องจากว่าพระไตรปิฎกนี้ ได้บรรจุ ค, คาสอนของพระพุทธเจ้าไว้อย่างมากมายมีหลายระดับด้วยกันระดับตั้งแต่ระดับอนุบาลขึ้นไปจนถึงระดับปริญญาเอง mm hmm. เห็นผู้ที่ต้องไปศึกษาค้นคว้า เ, าเองนี้อาจจะไม่รู้ว่าจะไปเริ่มต้นที่ตรงไหนดีถ mm hmm. ้าไปศึกษากับพระอริยสงสาวโกนี้ก็เหมือนกับท่านจะป้อนอาหารให้เราเป็นขั้นๆเลย ท่านจะดูจิตใจของเราว่าเราอยู่ในขั้นไหนถ้าเราอยู่ในขั้นอนุบาลท่านก็จะเอาธรรมะขั้นอนุบาลมาสอนเราถ้าอยู่ขั้นปฐมมัธยมท่านก็จะเอาธรรมะขั้นปฐมมัธยมมาแล้วแต่ะระดับจิตระดับความรู้ของเราว่าเราอยู่ในระดับไหนถ้าเรามีโอกาสได้พบกับพระอริยสง์ การศึกษาจากท่านก็จะเป็นการศึกษาที่ง่ายกว่าการที่เราจะต้องไปค้นคว้าหาธรรมะระดับต่างๆในพระไตรปิฎกแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะค้นหาพพพระอริยสงฆ์ได้พบพพ ร, ระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้อย่างน้อยเราก็สามารถอาศัยธรรมะที่มีอยู่ในพระไตรปิฎก หรือว่าธรรมะของพระอริยสงฆ์ที่จากโลกนี้ไปแล้วแต่มีการบันทึกไว้เป็นหนังสือหรือเป็นเครื่องแถบเครื่องบันทึกเสียงแถบบันทึกเสียงเช่นพระที่ตายไปแล้วแล้วกระดูกของท่านกลายเป็นพระธาตุไปอย่างนี้ก็จะเป็นการบ่งบอกให้เรารู้ว่าท่านนี้เป็นพระอรหันตสาวกเพราะมีแต่พระอรหันตสาวกเท่านั้น ที่กระดูของท่านในบางส่วนจะกลายเป็นพระาธาตุขึ้นมาแล้วถ้าเกิดมีการบันทึกคำสั่งคำสอนของท่านไว้ในหนังสือก็ดีในแถบบันทึกเสียงก็ดีเราก็สามารถศึกษาจากหนังสือของท่านหรือแถบบันทึกเสียงของท่านได้นี้คือสิ่งที่เราจะต้องรู้จักแยกแยะไม่ใช่ว่าจะไปศึกษาจากใครก็ได้ แม้ว่าไม่ใช่ว่าจะไปอ่านหนังสือธรรมะเล่มไหนก็ได้เพราะว่าสมัยนี้มันมีหนังสือธรรมะมากมายก่ายกองหลายรูปหลายแบบด้วยกันถ้าเราไปศึกษาผิดแหล่งเราก็จะหลงทางได้งั้นถ้าเราไม่มั่นใจก็ให้เราไปที่พระไตรปิฎกก่อนไปพระไปที่พระไตรปิฎกแล้วก็ไปศึกษา ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีการคัดแก่นธรรมของพระศาสนาของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าออกมาเป็นเล่มๆให้ศึกษาได้ง่ายขึ้นเช่นคณะสงฆ์ท่านก็มีการคัดเอาธรรมะของพระเจ้าออกมาเป็นหลักสูตรนักธรรมเตโทเอกเป็นต้นอันนี้เราก็ถ้าไม่รู้ว่าเราจะไปศึกษาจากที่ไหนก็ลองไปซื้อหนังสือที่สอนพระภิกษุที่บวช <mm> มีมีธรรมะสามหลักสูตรด้วยกันนักธรรมตรีโทเอก <mm> เราก็เริ่มต้นจากตรงนั้นไปก่อนแล้วเมื่อเราได้ศึกษาแล้วเราไม่เข้าใจส่วนไหนเราก็สามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากพระไตรปิฎกซึ่งในสมัยนี้การค้นคว้าก็ง่ายเพราะว่ามีระบบอินเทอร์เน็ตระบบการค้นคว้าหาข้อความความรู้ต่าง เพียงแต่เรากรอข้อความที่เราอยากจะรู้เข้าไปเราก็จะสามารถเข้าถึงแหล่งของความรู้ของข้อความเหล่านั้นได้และเราก็จะได้สามารถศึกษาให้มันลึกขึ้นให้มันกว้างขึ้นเพื่อนที่เราจะได้เข้าใจในแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องว่าปฏิบัติอย่างไรนั้นการศึกษาต้องมีมีกฎมีเกณฑ์ไม่ใช่ว่า ศึกษาจากใครก็ได้หนังสือธรรมะของใครก็ได้<ม>อันนี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าว่าท่านที่ที่ที่แสดงธรรมเหล่านั้นท่านบรรลุจริงหรือไม่บรรลุจริง<ม>บางทีท่านก็ไม่มีเจตนาที่จะหลอกเราแต่เพราะว่าความไม่รอบคอบ เ, เพราะยังมีความหลงของท่านอยู่ท่านก็อาจจะคิดว่าท่านบรรลุธรรมแล้วก็ได้<ม>แล้วท่านก็จะเอาธรรมะที่ท่าน เข้าใจเน้นมาสั่งมาสอนก็ได้เน้นทางที่ดีควรที่จะหาธรรมะที่เป็นแหล่งที่มาจากพระพุทธเจ้าหรือมาจากพระอริยสงสากจะดีกว่าศึกษาไว้ก่อนเพื่อเป็นมาตรฐานเพื่อเป็นเป็นสิ่งที่เราจะเอามาเปรียบเทียบต่อไปเวลาที่เราไปศึกษากับพาะรูปใดรูปหนึ่งเราก็จะได้เมีธรรมะของพระพุทธเจ้า นิรธรรมะของพออระอนันตสาวกไว้มาคอยเปรียบเทียบดูว่าท่านสอนไปในแนวทางเดียวกันหรือเปล่าถ้าท่านสอนไปนแนวทางเดียวกันเราก็จะได้มีความมั่นใจว่าท่านไม่ผิดท่านรู้ทางเราก็จะได้สามารถศึกษาจากท่านได้แต่ถ้าท่านสอนในสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ส่งสั่งสอนหรือพออระอนันตสาวกไม่ได้สั่งสอนอันนี้เราก็ต้อง สงสัยไว้ก่อนแล้วการสงสัยนี้ก็ไม่ใช่เป็นการเสียความเคารพแต่อย่างใดเพราะการศึกษานี้มันต้องอต้องมีความมั่นใจถ้าเราไม่มั่นใจนี้เราก็สามารถที่จะรอเอาไว้ก่อนแล้วไปค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งอื่นมาเปรียบเทียบ ก, กันก่อนว่าเป็นเหมือนกันหรือไม่ถ้าไม่เหมือนกันเราก็ เราก็ควรที่จะปล่อยผ่านไปก่อนเราไปหาความรู้จากแหล่งที่เรามั่นใจได้นะ mm. นี่คือวิธีการศึกษาธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า mm. ถ้าเราศึกษาจากหลายหลายแหล่งนี้เราจะได้เราจะได้ข้อสรุปอยู่ mm. ข้อหนึ่งว่าคำสอนไม่ว่าจะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าในยุคไหนสมัยไหนก็ตาม mm. ท่านจะสอนคำสอนเหมือนกันทุกๆพระองค์ ซึ่งมีคำสอนหัวข้อของคำสอนอยู่สามหัวข้อใหญ่ๆที่ได้แสดงไว้ในวันปะในวันในวันมาค้าบูชาวันที่มีพระหลานตัสสาวกหนึ่งพรห้ารูปมาเฝ้าพระพุทธเจ้าจากทุกสารทิศโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันวันนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงพระโอวาทปฏติโมคซึ่งมีเนื้อหาใจความอยู่โดยย่อคือ ะสัปปปาปสอาการังนคือให้ละเว้นการกระทำบาปทั้งปวงให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นี่คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้พูดเองผู้สอนเองผู้แสดงเองว่าไม่ว่าใครก็ตามถ้ามาตัดสั้รู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วแล้วนําเอา ธรรมะที่จะใช้ในการดับทุกข์มาสั่งสอนก็จะสั่งสอนในสามหัวข้อใหญ่นี้คือละการกระทำบาปทั้งปวงสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆให้ถึงพรอง้อมและชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลงที่เป็นเครื่องเศร้าหมองที่ทำให้ใจทุกข์นี้ให้หมดสิ้นไปจากใจนี่คือสามหัวข้อใหญ่ ที่เราจะต้องเอามาศึกษาขยายความต่อไปเพราะว่าอันนี้เป็นเหมือนกับเป็นการสอนแบบหลักใหญ่แต่รายละเอียดนี้ต้องต้องวิเคราะห์เข้าไปอีกซึ่งเราก็ต้องไปศึกษาว่าบาปนั้นเป็นอะไรให้ละการกระทำบาปทั้งปวงมีอะไรบ้างที่เป็นบาปบาปนี้ก็คื อ, อการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต การลักทรัพย์<ม>การประพฤติผิดประเพณีการพูดปดและการดื่มของมึนเมาซึ่งไม่ได้เป็นบาปแต่เป็นอบายามุขแต่เป็นผู้ที่จะสนับสนุนให้เกิดการกระทำบาปขึ้นได้อย่างง่ายดายอบายามุขนี้นอกจากสุราแล้วยังมีอีกสี่ข้อด้วยกันคือการเล่นการพ น, นันการการเที่ยวตาม แหล่งบันเทิงต่างๆ<ม>การเที่ยวเต<ม>การความเกลียดค้าน<ม>แล้วก็การครบคนชอบอบายามุขเป็นมิตร<ม>นี่คือสิ่งที่เราต้องพยายามละให้ได้เบื้องต้นก็พยายามละอบายามุขก่อนอย่าดื่มสุรายาเมาอย่าเล่นการพนันอย่าเที่ยวเตะ<ม>เอาเวลาที่มีค่านี้มาศึกษามาปฏิบัติทำดีกว่าการไปเที่ยวเตะ หรือถ้ามีความจําเป็นต้องทำมาหากินก็เอาเวลามาทำ ม, มารรมหากินในสัมมาอาชีพอาชีพที่สุจริญสิบลาอย่าไปทำมาหากินด้วยการเล่นการพนันาะมีแต่จะเสียมากกว่าจะได้<ม>ถ้าไปเที่ยวเตะก็จะมีแต่เสียเงินเสียทองไม่มีรายได้<ม><ม>ถ้าดื่มสุราย่าเมามก็เสียทั้งทองเสียทั้งสติเสียทั้งสุขภาพทางร่างกาย แล้วถ้าไปคบคนที่ชอบอบายามุขเขาก็จะชวนเราไปทำในสิ่งที่เขาชอบถ้าเขาชอบดื่มสุราเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุราถ้าเขาชอบเล่นการพานันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพานันถ้าเขาชอบเที่ยวเตะเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวเตะถ้าเขาชอบความเกลียดค้าน <researchers S 1> เขาก็จะชวนให้เราเกลียดค้านแล้วการกระทาเหล่านี้มันมีแต่เสียมีแต่ไร มีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับถ้าเรามีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับต่อไปเราก็จะไม่มีเงินพอใช้ไม่มีเงินใช้พอไม่มีเงินใช้แล้วเราไม่มีงานทำวิธีจะหาเงินของเราก็คือต้องไปหลอกลวงผู้ไปชอโกงไปลักทรัพย์หรือถ้ามีแล้วถ้าเกิดไปมีการต่อสู้กันก็ อ, อาจจะมีการฆ่าฟันกันก็ได้นี่คือสิ่งที่เราต้องละให้ได้ บายามุกและบาปบาปก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดปดไม่ดื่มสรายามเมาคือศีลห้าชาวพุทธเหล่านี้ต้องรักษาศีลห้าเป็นนิจศีลให้ได้เป็นเป็นการรักษาแบบปกติเพราะศีลห้าถ้าเรารักษาศีลห้าได้ไม่ทำบาปได้ความทุกข์ใจที่เกิดจากการกระทำบาปก็จะไม่เกิดขึ้น ทุกครั้งที่เราทำบาปถ้าเราสังเกตดูเราจะรู้สึกไม่สบายใจความไม่สบายใจนี่แหละก็คือความทุกข์ใจที่เกิดจากการกระทาบาปของเราเองไม่ได้เกิดจากใครเลยเราสร้างความทุกข์ขึ้นมาด้วยตัวของเราเองเพราะเราเราอาจจะไม่รู้และเราอาจจะไม่เชื่อว่าบาปนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ใจ แล้วก็เป็นสิ่งที่จะพาให้เราต้องไปเกิดในอบายเราก็เลยอาจจะไม่เชื่อเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราเวลาที่เราตายไปแล้วนี้เราจะไปต่อได้อย่างไรเพราะเราเพียงแต่รู้จักตัวเราผ่านทางร่างกายเราคิดว่าเราเป็นร่างกายเท่านั้นแต่อีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายนี้เราไม่รู้เราไม่เห็นเราก็เลยไม่ เราก็เลยไม่ไม่รู้ว่ามีอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายและเป็นส่วนที่รับผลจากการกระทำบาปทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และหลังจากที่ละจากโลกนี้ไปแล้ว<ม>เวลาที่เราทำบาปนี้ร่างกายไม่ได้เป็นผู้รับความทุกข์<ม>ร่างกายไม่ได้ทุกข์กับการกระทำบาปแต่ผู้ที่ทุกข์ก็คือใจผู้ที่สั่งให้ร่างกายกระทาบาป Dante, ร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องมือ monde, เป็นเหมือนเครื่องมือเป็นเหมือนมีดเหมือนมีดเหมือนปืนเวลาเราเอามีดเอาปืนไปฆ่าคนนี้มีดปืนมันไม่รู้มันไม่รู้ว่ามันทำอะไรมันเป็นเพียงเครื่องมือร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนเครื่องมือมันไม่รู้ว่ามันทำอะไรมันก็เลยไม่มีความรู้สึกทุกข์รู้สุขจากการกระทำของมันแต่ผู้ที่มีความรู้สึกสุขหรือทุกข์ จากการกระทาผ่านทางร่างกายคือใจใจคือผู้รู้ผู้คิดนี่ใจนี่แหละเป็นผู้ที่สั่งให้ร่างกายพาเรามาที่นี่กันถ้าใจไม่คิดไว้ล่วงหน้าก่อนว่าเดี๋ยววันนี้จะมาฟังเทศฟังธรรมพอถึงเวลาใจก็ไม่ได้สั่งให้ร่างกายมาใจก็อาจจะสั่งให้ร่างกายไปทำอะไรอย่างอื่นแต่พอได้คิดไว้ก่อน พอถึงเวลาใจก็สั่งให้ร่างกายมาที่วัดกันผู้ที่มาที่วัดได้นี้ผู้ที่สั่งให้ร่างกายมาก็คือใจแล้วก็เป็นผู้ขับเคลื่อนบังคับให้ร่างกายเคลื่อนไหวด้วยการเดินด้วยการยืนด้วยการขับรถลื่ด้วยการกระทำอะไรต่างๆใจนี้แหละเป็นผู้สั่งการถ้าไม่มีใจแล้วร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนคนตาย ร่างกายที่ไม่มีใจไม่ก็คือร่างใจที่ปราศจากวิญญาณดวงวิญญาณนี่ร่างกายก็จะนั่งอยู่เฉยๆหรือนอนอยู่เฉยๆไม่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองต้องมีใจเป็นผู้สั่งการนี่แหละคือผู้กระทาบุญหรือกระทาบาปและเป็นผู้ที่รับผลบุญหรือผลบาปก็คือใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเวลาที่เราทาบาปเราก็จะสะสมความทุกข์ไว้ในใจ สะสมบาปเอาไว้ในใจส่วนหนึ่งก็แสดงออกในขณะที่เรากระทำพอเราก็ทํทำบาปแล้วเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเกิดความวิตกเกิดความหวาดกลัวต่อวิบาทต่อผลที่เราไปทำเช่นเราไปป้นธนาคารหรือไปป้นร้านทองพอป้นเสร็จเราก็ต้องวุ่นวายกับการหลบหนีจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ หวาดระแวงกังวลกับว่าจะถูกจับหรือไม่เมื่อไหร่อย่างไร mm hmm. อันนี้ก็เป็นความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นจากการกระทําบาป mm hmm. ถ้าเราไม่ได้ไปพ้นตนาคารไม่ได้ไปพ้นล้านทองเราก็จะไม่รู้สึกหวาดกลัวไม่รู้สึกวิตกกังวล mm hmm. ใจเราก็อยู่เฉยๆสบายๆเป็นปกติ mm hmm. น, นี่คือผลที่เกิดจากการกระทําบาปในเบื้องต้น คือจะเกิดความรู้สึกทุกข์ใจไม่สบายใจขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นบาปข้อไหนพูดโกหกก็ไม่สบายใจประพฤติผิดประเพณีก็ไม่สบายใจถ้าเราเป็นสามีภรรยาแล้วเราไปมีคนอื่นอย่างนี้เราก็จะไม่สบายใจ mm hmm. นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับใจผู้เป็นผู้กระทาร่างกายเป็นเพียงแต่ผู้รับคำสั่งเป็นเครื่องมือ โทษจึงไม่ไปเกิดที่ร่างกายโดยตรงบางครั้งร่างกายก็อาจจะติดร่างแหไปด้วยเช่นเวลาไปฆ่าผู้อื่นนี้เนื่องจากเขามองไม่เห็นใจเขาอะไรก็ต้องจับร่างกายไปลงโทษในโลกนี้เขาจะจับร่างกายไปลงโทษไปติดคุกติดตารางหรือประหารชีวิตแต่ผู้ที่ทำนี้คือใจเขามองไม่เห็นเขาก็เลยต้องจับร่างกายไปแทนแต่ เมื่อหลังจากที่จับถูกจับไปลงโทษแล้ว mm. ใจผู้ที่กระทาก็ยังต้องรอรับโทษของตนเองต่อไปคือโทษของกฎแห่งกรรมนี่ mm. กฎแห่งกรรมนี้จะมาจัด ก, การกับใจหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว mm. ถ้าทำบาป mm. ใจก็จะถูกกฎแห่งกรรมจับไปลงโทษให้ไปอยู่ในอาบาย mm. ถ้าไปเกิดใหม่ก็ได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานถ้าเป็นดวงวิ ญ, ญญาณก็อาจจะเป็นดวงวิญ ญ, ญาณที่หิวโหยที่เรียกว่าเปรตถ้าเป็นหรืออาจจะเป็นดวงวิญ ญ, ญาณที่หวาดกลัวเรียกว่าอสุรรกายหรือดวงวิญ ญ, ญาณที่รอบรุ่มร้อนด้วยความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทก็เรียกว่านารกแล้วการกระทำบาปนี้สามารถทําได้สี่สาเหตุ ด, ด้วยกัน สาเหตุแรกทําด้วยความหลงหรือความไม่รู้อันนี้ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเดรัจฉานเขาไม่รู้ว่าเขาทําบาปเพราะเขาคิดว่าเป็นการเลี้ยงชีพเพราะต้องฆ่ากันกินกันมนุษย์ทําทการเลี้ยงชีพด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็เป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานตายไปก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าทําบาปด้วยความโลภอยากจะได้มากๆอยากจะมีมากๆก็จะเป็นเปลนนี้ จะมีแต่ความหิวโหยเพราะความโรคนี้ได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอมีแต่อยากจะได้มากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วถ้าทำบาปด้วยความกลัว<ม>ก็จะเป็นดวงวิญญาณที่เรียกว่าสุลกายถ้าทำบาปด้วย<ม>อานาคาสพยาบาทจองเวนจองกรรมก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่อยู่ในนรกถูกไฟของความโกรธเกลียดอาคาตพยาบาท<ม>เผาผลาญจิตใจอยู่ นี่คือโทษที่จะตามมาถึงแม้จะไม่ได้รับโทษหรือได้รับโทษทางร่างกายในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็ตามแต่ผลของอวิบากของบาปนี้มันยังไม่หมดมันยังติดไปกลับใจตอนที่ตายไปแล้วแล้วหลังจากที่พ้นจากอบายแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์นี้วิบากที่ไปฆ่าเขานี้มันก็ยังอาจจะมีผลตามมาอี ก, ก็ได้ เราเคยไปฆ่าใครถ้าคนที่เขาถูกเราฆ่าเจอเรานี้เขาก็อยากจะฆ่าเราอ<ม>เขาก็จะตามฆ่าเราได้อีกเหมือนกัน<ม> น, นนี่แหละคือผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําบาสซึ่งเป็นแต่มีแต่เรื่องของความทุกข์ใจวุ่นวายใจไม่ใช่เรื่องของความสุขความสงบของใจ<ม>ถ้าเราไม่อยากจะจะต้องมีความทุกข์จากเรื่องราวเหล่านี้<ม>ก็อยากไปทําบาศ แล้วก็อย่าไปเสพอบายามุกเพราะอบายามุกนี้จะเป็นตัวที่ผลักดันให้เราไปทำบาปต่อไปอันนี้คือข้อที่หนึ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้ผู้ที่ต้องการที่จะพ้นทุกข์ดับความทุกข์ให้กำจัดความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำบาปเป็นขั้นที่หนึ่งก่อนสะ บ, บาปาปัสะอัคระนังให้ละการกระทำบาปทั้งปวงคือทั้งบาปคือละ การไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดปดแล้วก็อบายามุข ค, คือไม่ดื่มของมญเมาไม่เล่นการพ น, นันไม่เที่ยวเตะไม่เกียดค้านไม่คบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรถ้าเราสามารถทำได้เราก็จ ะ, ะกำจัดความทุกข์ที่เกิดจากการกระทําบาปได้แล้วก็ปิดประตูของอบายได ตายไปเราจะไม่ต้องไปเกิดในอบายตายไปถ้าเรายังไม่ได้ทำบุญทำกุศลอะไรเราก็จะมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปแล้วถ้าเราขณะที่มีชีวิตอยู่นี้เราอยากจะมีความสุขเราก็ทำบุญทำกุศลต่างๆเป็นวิธีการที่จะให้ความสุขกับเราที่ดีที่สุดนี่คือข้อที่สองที่พระเจ้าทรงสอนก็คือ กุศลาสูปราซัมปธาการการสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสร้างบุญสร้างกุศลชนิดต่างๆตามวาระตามโอกาสซึ่งก็มีอยู่ในในในบุญญาริ ย, ยาวัตถุศิล ป, ปะการาเช่นทาบุญทำทานเสียสละแบ่งปันทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง หรือกำลังกายกำลังใจของเราเพื่อทาคุณทาประโยชน์ให้แก่ผู้ออันนี้เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลถ้าเรามีทรัพย์สมบัติเงินทองเหลือเฟือเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ตายไปก็เอาไปไม่ได้เราก็เอาส่วนที่เกินนี้เอาไปทำบุญทำทานทานก็คือการให้ให้ของที่เป็นของเราของที่เราไม่เดือดร้อนเวลาที่เราให้ไป ของที่เรายังต้องอาศัยต้องมีอยู่เราก็เก็บเอาไว้เพราะเราก็ต้องดูแลร่างกายเราชีวิตของเราก่อนถ้าชีวิตเราอัตขัดลำบากเราก็จะไม่สามารถทำคุณทำประโยชน์ต่างๆได้ดัเบื้องต้นเราก็ต้องเลี้ยงดูร่างกายของเราให้อยู่เป็นปกติสุขก่อนแล้วถ้าเรามีส่วนเกินที่เราไม่จำเป็นจะต้องใช้ไม่ต้องเก็บเอาไว้เราก็เอาไปทาบุญทาทานได้ ทานนี้ก็มีหลายแบบด้วยกันทานมีอยู่สี่แบบด้วยกันคือวัตถุทานการให้เข้าของเงินทองเรียกว่าวัตถุทานถ้าเราไม่มีเข้าของเงินทองเราไม่ร่ำรวยเราก็ให้อย่างอื่นแทนก็ได้เช่นวิทยาทานถ้าเราเป็นครูเป็นข้าราชการครูรายได้ไม่มากแต่เรามีวิชาความรู้ เรามีเวลาว่างในวันไหนเราก็เอาวิชาความรู้นี่มาสอนเด็กมาให้ความรู้พิเศษกับเด็กก็ได้โดยที่ไม่คิดเงินทองอย่างนี้เราก็ได้บุญเวลาเราทำคุณทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นเราจะรู้สึกมีความสุขใจ mm hmm. ทำบุญวิทยาทาน mm hmm. ถ้าเรามีกรณีกับใครมีเรื่องมีราวกับใคร mm hmm. ถ้าเรา ต้องการให้ใจเราสบายมีความสุขเราก็ให้อภัยเขาเรียกว่าอาภัยทานมไม่ถือโทษ ก, ก่อกเครองกันถือว่าเป็นลิ้นกับฟันอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีการผิดพลาดกันบ้างจะ<ม>ไปตัดลิ้นทิ้งหรือจะไปถอนฟันทิ้งมันก็ไม่ไม่ใช่เป็นวิธีที่ดีวิธีที่ดีก็ต้องยอมรับความจริงว่าโอกาสที่เราจะต้องมีการกระทบกระทั่งกันบ้าง<ม>ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ เมื่อเกิดขึ้นแล้ววิธีที่จะทําให้ทุกสิ่งยุติลงอย่า ง, างสงบก็คือให้อภัยกันไปอันนี้ก็เรียกว่าให้อภัยเรียกาอาภัยทานแล้วข้อสุดท้ายถ้าเรามีธรรมะเราได้ไปเรียนรู้ศึกษาธรรมะได้หนังสือธรรมะที่ดีๆมาอ่านแล้วเห็นคุณค่าสามารถเอาธรรมะที่เราเรียนนี้ม า, มาดับความทุกข์ใจของเราได้ ถ้าเราอยากจะให้คนอื่นเขารู้จากวิธีเดี๋ยวดับความทุกข์ใจเราก็อาจจะพิมพ์หนังสือธรรมะที่เราได้อ่านมานี้ถ้าเรามีกําลังเราก็พิมพ์ธรรมะหนังสือแจกพิมพ์หนังสือธรรมะแจกหนังสือธรรมะให้แก่ผู้ได้หรือในยุคนี้เราไม่ต้องพิมพ์เองก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามีสื่อทางทางโซเชียลเราอ่านหนังสือธรรมะข้อความบทไหนที่ดีมีคุณประโยชน์ เราก็แชร์ไปให้กับเพื่อนฝูงก็ได้อันนี้ก็เป็นการให้ธรรมะการให้ทั้งสี่อย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการให้ธรรมะนี้เป็นการให้ที่ดีที่สุดคณะการให้ทั้งปวงเพราะว่าการให้ธรรมะนี้เป็นอย่างเดียวเท่านั้นที่สามารถดับความทุกข์ทางใจได้ส่วนการให้วัตถุทานวิทยาทานหรืออภัยท า, านนี้เป็นการให้ ดับความทุกข์ทางร่างกายแต่ไม่สามารถดับความทุกข์ทางใจได้ยกเว้นอภัยทานอาภัยพานนี้ก็ดับความทุกข์ทางใจได้อดับความมาฆาตพยาบาทได้แต่วิทยาทานกับวัตถุทานนี้ก็มีเอาไว้เป็นการเอาไปเลี้ยงดูร่างกายไปกาจัดความทุกข์ยากลําบากของร่างกายแต่ธรรมะนี่สามารถที่จะเอามาดับความทุกข์ทางใจได้ และความทุกข์ทางใจนี้เป็นความทุกข์ที่รุนแรงกว่าความทุกข์ทางร่างกายและยาวนานกว่าความทุกข์ทางร่างกายมันก็แค่ชั่วที่ร่างกายมีชีวิตอยู่พอร่างกายตายไปความทุกข์ทางร่างกายก็หมดไปแต่ความทุกข์ทางใจนี้หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วมันก็ยังอยู่กับใจต่อไปได้แต่ถ้ามีธรรมะแล้วเราก็จะสามารถกาจัดความทุกข์ทางทางใจได้ อันนี้ก็คือเรื่องของการทำทานด้วยวิธีการต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทาคือโดยสรุปก็ให้เราทำคุณทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นให้ผู้อื่นเขาได้รับความสุขจากการกระทำของเราอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นการทำบุญทาทานทากุศลบางทีไม่จำเป็นจะต้องทำด้วยเงินทองเรามีเวลาว่างเราอาจจะไปเป็นอาสาสมัคร ช่วยงานช่วยการช่วยงานการขององคอ์กรการกุศลต่างๆก็ได้โดยไม่ไม่ไม่รับค่าตอบแทนอย่างนี้ก็เป็นการทำบุญเรียกว่าบุญที่เกิดจากการได้ช่วยเหลือหรือรับใช้ผู้อื่นนะอันนี้ก็มีหลายวิธีการศึกษาธรรมะนี้ก็เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับใจเวลาเราได้ยินได้ฟังธรรมนี้เราก็จะได้อ น, นิสงส์อยู่ถึงห้าข้อด้วยกัน คือเราจะได้ยินได้ฟังธทมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนทำที่เราข้อที่สองทมที่เราเคยได้ยินแล้วถ้าฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นสามจะจะสามารถกำจัดความตังเลสงสัยต่างๆให้หมดไปจากใจได้ 4. ่จะทาให้มีความเห็นที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิหรือปัญญานั่นเองจะทาให้เราเกิดปัญญารู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่ว รู้ว่าอะไรผิดรู้ว่าอะไรถูกรู้ว่าอะไรดีรู้ว่าอะไรชั่วแล้วข้อที่ห้าเราก็จะได้จิตใจก็จะสงบผ่องใสการฟังธรรมนี้จะทำให้ใจสงบเป็นเหมือนได้ไดสมาธิแบบห ย, ยาบถึงแม้อาจจะไม่ลึกถึงเข้าฌานแต่ก็ทำให้ใจถายฟุ้งซ่านได้ทำให้ใจเย็นใจสบายได้อันนี้ก็ประโยชน์การสร้างบุญสร้างกุศล คืออย่าไปหาความสุขจากการไปเสพลาบยศสรรเสริญ ส, สุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะลาบยศสรรเสริญ ส, สุขนี้มันเป็นตายรักมันเป็นของอเป็นของที่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันมีเจริญแล้วก็มีเสื่อมเวลาเราเสพรูปเสียงกลิ่นรสลาบยศสรรเสริญ ส, สุขที่ที่เจริญเราก็จะมีความสุข แต่พอเราไปเสพราบยศเสรรสิญสุขที่เวลาที่มันเสื่อมมันก็จะให้ความทุกข์กับเราแต่การสร้างบุญสร้างกุศลด้วยวิธีการที่พระเจ้าทรงสอนเช่นทําทานทําคุณทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นอันนี้ไม่มีความทุกข์ตามมาทาแล้วจะทำให้ใจเย็นใจสบายแล้วก็จะเป็นเป็นทรัพย์ที่จะติดไปกับใจที่จะเป็นเป็นผู้สนับสนุนให้ใจ มีความสุขในขณะที่ไม่มีร่างกายใจที่ไม่มีว่าใจที่มีความสุขตอนที่ไม่มีอยู่ร่างกายไม่มีร่างกายก็คือใจของพวกเทพพวกพรมนี่เอง mm. ก็จะอยู่ในสวรรค์ชั้นเทพชั้นพรหมอยากการที่เราสร้างบุญสร้างกุศล mm. แล้วข้อที่สในการกาจัดความทุกข์ให้หมดไปจากใจที่ที่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองทไม่ได้ก็คือ การชําระใจให้สะอาดบอยสุดการไม่ทาบาปหรือการทาบุญทำทานนี้ไม่สามารถที่จะกําจัดกิเลสเครื่องเศร้าหมองให้หมดไปจากใจได้วิธีที่จะกําจัดต้องต้องชำระใจต้องซักพอกใจและเครื่องซักพอกใจนี้เราเรียกว่าการภาวนากิจตภาวนาซึ่งมีอยู่สองขั้นตอนด้วยกันขั้นตอน ท, ที่หนึ่งเรียกว่าสมถภาวนา ขั้นตอนที่สองเรียกว่าวิปัสนาภาวนาเราต้องใช้การภาวนาเราถึงจะสามารถซักพอกใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้เพราะว่าเพราะว่าถ้าใจยังมีความโลภ ค, ความโกรธ ค, ความหลงอยู่ต่อให้ทําทบุญมากน้อยเพียงไรก็ตามต่อให้ไม่ได้รักไม่ละต่อให้รักษาศีลได้บริสุทธิ์มากน้อยเท่าไรก็ตามก็ยังต้องเจอความทุกข์ของความโลภ ค, ความโกรธ ค, ความหลงที่มีอยู่ในใจอยู่ ที่ที่ศีลไม่สามารถกําจัดได้ที่การทําบุญทํากุศลต่างๆยังไม่สามารถกําจัดได้จะ ต, ต้องอาศัยการภาวนาการภาวนาก็มีสองขั้นในขั้นแรกเรียกว่าสมถะภาวนาขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาสมถะภาวนานี้เป็นการซักพอกใจให้นิ่งให้สงบแบบชั่วคราว ทำให้ความโลภความโกรธความหลงหยุดทำงานชั่วคราวขั้นที่สองที่เรียกว่าวิปัสนาภาวนานี้เป็นการกำจัดความโลภความโกรธความหลงแบบถาวรแบ่งเป็นสองขั้นเพราะมีความยากง่ายต่างกันและมีความจำเป็นที่จะต้องผ่านขั้นที่หนึ่งก่อนถึงจะไปสู่ขั้นที่สองได้ถ้ายังไม่ได้ขั้นที่หนึ่งนี้ไปขั้นที่สองนี้จะทจะไม่สามารถ ทำให้เกิดผลขึ้นมาได้บองต้นต้องทำใจให้สงบนิ่งก่อนต้องใช้สติทำใจให้นิ่งสงบเพราะการทำใจให้นิ่งสงบนี้จะเป็นวิธีการที่จะหยุดความโลภความโกรธความหลงไม่ชื่อกาวก่อนถ้าใจไม่นิ่งใจคิดด้วยเปื่อยอย่างที่เราคิดกันอยู่ทั้งวันนี้กิเลสความโลภความโกรธความหลงมันก็จะทางานได้เพราะกิเลสนี้มันต้องอาศัยการการคิดต่างๆของเรา เวลาเราคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวก็เกิดกิเลส ข, ขึ้นมาเกิดความโลภเกิดความโกรธขึ้นมาเกิดความหง่ขึ้นมาดังนั้นวิธีแรกที่เราจะปรามนึกห้ามกิเลสก็คือเราต้องหยุดความคิดของเราวิธีการหยุดความคิดก็คือการทําใจให้นิ่งสงบให้เข้าสมาธิและการที่ใจจะเข้าสมาธิได้นี้ก็จําเป็นที่จะต้องอมีเวลาให้กับการปฏิบัติ เพราะว่าการที่จะหยุดใจให้นิ่งได้จริงๆนี้ไม่ใช่ทําเพียงแค่วันละชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเพราะว่าถ้าเราไม่ทําปับ๊บมันก็เริ่มคิดต่อไปพอเราคิดความโลภความโกรธความหลงมันก็จะทํางานต่อไปนั้นเราต้องทำทั้งวันเลยต้องคอยควบคุมความคิดทั้งวันทั้งคืนซึ่งจำเป็นจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติอย่างเช่นพวกนั่งบวชทั้งหลายนี้เราไม่มีภารกิจการงานอย่างอื่น เรามีเวลาที่จะไปไปฝึกสมถะภาวนาได้อย่างเต็มที่ควบคุมความคิดตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาก็คอยควบคุมความคิดด้วยการเจริญสติอย่างใดอย่างหนึ่งมีหลายวิธีในการเจริญสติการเจริญสตินี้ก็เป็นการสร้างเบรกที่จะมาหยุดความคิดของใจถ้าเรามีสติก็เท่ากับเราเหยียบเบรกถ้าเราไม่มีสติถ้าก็เราปล่อยเบรก พอเราไม่มีสติเพราะความคิดก็จะคิดไปพอเรามีสติเราก็จะหยุดความคิดได้ <Yeah. S 1> การจะมีสติก็ต้องอาศัยการเจริญสติ <Yeah. S 1> การเจริญสติก็มีหลายวิธีด้วยกัน <Yeah. S 1> แต่ที่เราใช้กันทั่วไปก็มีอยู่สองวิธี <Yeah. S 1> วิธีแรกคือการระลึกถึงพระพุทธเจ้า <Yeah. S 1> ที่เรียกว่าพุทธานุสติการตั้งสติอยู่กับการระลึกถึงพระพุทธเจ้า yeah. ก็ให้เราบริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธไปภายในใจถ้าเรามีการบริกรรมพุทโธพุทโธเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้จะต้องอยู่กับคำบริกรรมแต่ถ้าเราเผลอพอเราเผลอไม่บริกรรมใจมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ยังถ้าเราอยากจะหยุดความคิดที่ง่ายๆวิธีง่ายๆก็คือให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปเอาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลย พอเราลืมตาขึ้นมาใจมันก็จะเริ่มคิดทันทีพอมันคิดมันมันกจะคิดไปทางทางโลภความโกรธความหลงถ้าเราไม่ต้องการให้มันคิดไปในทางนั้นเราก็ให้ดึงมาคิดทางพุทโธพุทโธไปไม่ว่าเรากําลังจะไปทาอะไรในขณะที่เรายัางไม่ต้องไปใช้ความคิดเช่นเวลาที่เราไปเตรียมตัวอาบน้ําอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหาร กิจกรรมเหล่านี้ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ความคิดมากก็เอาเอาพุโทโธมาหยุดมันอย่าปล่อยให้มันคิด เ, เราต้องการฝึกการหยุดคิด เ, เพราะว่าเวลาถ้าเราไม่ฝึกความหยุดคิดเวลาเรานั่งสมาธินี้จจใจจะไม่ยอมนิ่งจะไม่ยอมหยุดคิดใจจะฟุง้งคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่งไปได้ไม่นานก็ทนนั่งต่อไปไม่ได้เพราะมันมีความรู้สึกอึดอัด เพราะเพราะเวลาที่เราคิดแล้วมันก็จะเกิดความอยากอยา ก, อยากจะไปทำนู่นอยากจะไปทำนี่มันจะไม่อยากอยู่เฉยๆพอให้มันอยู่เฉยๆโดยที่ไม่สามารถควบคุมความคิดได้ความคิดนี้มันก็จะสร้างความอึอดอัดขึ้นมาจนกระทั่งเราจะทนนั่งต่อไปไม่ได้แต่ถ้าเราได้พยายามควบคุมความคิดไว้ก่อนล่นวงหน้าตอนที่เราจะมานั่งสมาธิ พอเรามานั่งเราก็ควบคุมความคิดไม่ให้มันคิดเราก็จะนั่งได้อย่างสบายแล้วใจเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายแล้วเวลาใจสงบแล้วความโลภความโกรธความหลงก็จะหยุดทํางานชั่วคราวพอความโลภความโกรธความหลงหยุดทํางานชั่วคราวความทุกข์ความเครียดความวุ่นวายใจต่างๆก็จะหายไปใจก็จะเย็นจะจะเน่งจะสงบจะมีความสุขขึ้นมา อันนี้เป็นความสุขที่เลิศที่ประเสริฐที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี่คือเป้าหมายแรกของการเจริญสมถะการเจริญการภาวนาคือสมถะภาวนาเราต้องการให้ใจได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ความโลภความโกรธความหลงต้องการ ค, กคือก็คือความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะนี่ เพราะถ้าเราได้เข้าถึงความสุขที่เกิดจากความสงบนี้แล้วมันจะทำให้เรานี้สามารถที่จะเปลี่ยนความเปลี่ยนวิธีหาความสุขของเราได้จากการที่ไปหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสเราก็เปลี่ยนวิธีมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบทุกครั้งที่เราอยากจะมีความสุขเราก็มานั่งสมาธิทาใจให้นิ่งให้ให้สงบ พอใจสงบแล้วก็จะได้ความสุขที่ดีกว่าจากการได้ลาบยศสรรเสริญได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลสพลพาแล้วถ้าเกิดเราต้องการที่จะสอนใจให้เราเลิกไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญสุขหรือจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เราก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจเรียกว่าวิปัสสนาเราต้องศึกษาธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่ กิเลสตัณหายังอยากได้ยังอยากจะไปมียังอยากจะหาความสุขถ้าเราอยากจะหาความสุขจากราบยศสรรเสริญ จ, จากรูปเสียงกลิ่นรสเราก็ต้องพิจารณาว่ามันเป็นมันเป็นไตรลักษณ์ของพวกนี้มันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอเวลามีมันก็มีความสุขเวลาสูญเสียมันไปมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ แล้วเราก็ไม่สามารถห้ามการสูญเสียได้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีเกิดแล้วไม่ช้าก็เร็วมอนก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาเวลามันดับถ้าเรายังอาศัยมันให้ความสุขกับเราเราก็จะทุกข์เราก็จะเศร้าโศกเสียใจเช่นเราไปมีแฟนนี้พอแฟนจากเราไปเราก็จะเศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวเราก็ไม่รู้สึกจะต้องเศร้าโศกเสียใจเวลาใครเป็นอะไร แต่เพราะความหนุงเราไม่คิดกันว่าเราว่าถ้าเราไปมีแฟนแล้วแฟนเราก็อาจจะจากเราไปได้วันใดวันหนึ่งด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งที่เราไม่รู้ที่เราไม่สามารถคาดการได้พอเกิดเหตุการณ์พัดภาคจากกันมันก็จะทำให้ใจเราเศร้าแต่ถ้าเราพิจารณาว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้จังมีการมาก็ มาพบปะกันก็ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการจากกันถ้าเราไม่อยากจะเศร้าเราก็อย่าไปอย่าไปอยากอยู่กับเขาอย่าไปอยากให้เขาเป็นแฟนเราถ้าเขาไม่เป็นแฟนเราถ้าเราไม่ต้องอาศัยเขาให้ความสุขกับเราเวลาเขาไปเราก็จะไม่ทุกข์นี่คือการพิจารณาสิ่งต่างๆที่ใจยังหลงยังคิดว่าจะให้ความสุขกับใจอยู่เวลาใจอยากจะได้อะไรอยากจะมีอะไรอยากจะเป็นอะไรก็ต้องพิจารณาให้ ให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแม้แต่ร่างกายนี้ก็ต้องพิจารณาเหมือนกันว่าร่างกายของเรามันก็เป็นของไม่เที่ยงร่างกายนี้เป็นเครื่องมือที่จะพาให้เราไปหาราบยศเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมันก็เป็นของไม่เที่ยงร่างกายมันเกิดมาแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวลามันแก่มันเจ็บมันตายมันก็จะทาให้เราทุกข์ เพราะเราไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายเราอยากจะให้มันอยู่ไปนานๆอยากให้มันทำหน้าที่พาเราไปหาสิ่งต่างๆที่เราอยากได้กันแต่ไม่ช้าก็เร็วร่างกายมันก็จะหมดสภาพไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ของมันได้เวลามันแก่มันเจ็บมันตายมันก็จะสร้างความทุกข์ให้กับเราถ้าเราไม่อยากที่จะทุกข์กับร่างกายเราก็ต้องอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุข ให้เรามาหาความสุขจากการทาใจให้สงบพอเราทำใจให้สงบแล้วเรามีปัญญาสอนใจให้ตัดการหาความสุขจากลาบยศสารเสริญสุขได้หาความสุขจากผ่านทางร่างกายได้เราก็จะไม่ทุกข์กับความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้แต่ปัญหาก็คือเราก็จะมาติดกับการหาความสุขจากการทาใจให้สงบ เมื่อถึงขั้นนั้นแล้วเราก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่าแม้แต่การหาความสุขจากการทำใจให้สงบนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันความสงบนี้บางทีแล้วก็เราก็ ม, มีบางทีเราก็ไม่มีเพราะเราไม่สามารถที่จะเข้าสมาธิได้ตลอดเวลาบาเวลาเราก็ต้องออกมาทำนู่นทำนี่อออกมาทำนู่นทำนี่ใจของเราก็จะมีการคิดไปในทางลบความโกรธความโงได้ มันก็จะทำให้ใจเราวุ่นวายได้แล้วถ้าเราอยากจะทำใจให้สงบด้วยการเข้าสมาธิเราก็ต้องอาศัยสมาธิต้องทำอยู่เรื่อยๆวิธีที่ดีที่สุดก็คือเราต้อง อ, อยู่แบบที่เราไม่ต้องใช้สมาธิอยู่แบบอยู่แบบปัญญาพิจารณาถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของใจของเราของอารมณ์ของเราว่าใจของเรามันก็แปรปรวนไปแปรปรวนมา ตามอำนาจของกิเลสเที่งยังมีลงเหลืออยู่ภายในใจแต่เราก็พิจารณาให้มันเป็นตายรักไปปล่อยให้มันเป็นตายตามธรรมชาติของมันถ้ามันเป็นตายรักมันไม่เที่ยงก็ปล่อยมันไม่เที่ยงอย่าไปพยายามทําให้มันเที่ยงอย่าไปพยายามทําให้มันสงบตลอดเวลาถ้ามันไม่สงบก็ปล่อยมันไม่สงบไปเพียงแต่เรารู้ทันมันแล้วก็ปล่อยวางเราก็จะไม่ทุกข์กับมันได้เราก็จะอยู่กับโลกนี้ได้ โลกที่ยังมีการแปรปรวนอยู่ทั้งภายนอกทั้งภายในภายนอกก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาภายในก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ใจที่มีปัญญาที่รู้ทันก็จะไม่มีตัณหาความอยากให้มันเป็นไปตามความอยากของของใจซึ่งเป็นกิเลสความหลงใจเข้าใจธรรมชาติทั้งภายนอกทั้งภายในว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ปล่อยวางทุกสิ่งท้งอย่าง พอปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดใจก็จะไม่ทุกข์กับอะไรต่อไปใจที่ไม่ทุกข์นี้ก็เรียกว่าเป็นพั น, นิพาณไปใจเพราะใจตัดกิเลสตัณหาความโลภความอยากกับสิ่งต่างๆได้หมดทั้งภายนนอกทั้งภายในใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงแล้วใจที่ปราศจากความโลภความโกรธความหลงก็จะไม่มีการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป เพราะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีร่างกายมาเป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากราบยศเสริเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสหรือจากการเข้าสมาธิถ้าเรายังมีความอยากเหล่านี้อยู่เราก็ยังจะต้องกลับมาเกิดแต่ถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างทั้งภายนอกใจและทั้งภายในใจนี้เป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราอย่าไปอยากให้มันเป็น นิจจังสุ ข, ขังอัตาปล่อยให้มันเป็นปตามความเป็นจริงของมันใจเราก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับการแปรปรวนของทุกสิ่งทุกอย่างสามารถอยู่เหนือความแปรปรวนของทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะไม่มีความอยากที่จะได้อะไรจากสิ่งต่างๆอีกต่อไปนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการที่เราศึกษาและปฏิบัติตามคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้า ที่เป็นเหมือนยาที่จะมารักษาโรคทางใจของเราให้หายจนหมดสิ้นไปเราต้องน้อมทำอันประเสริฐนี้เข้ามาด้วยการฟังธรรมศึกษาธรรมะอยู่เรื่อยๆควบคู่กับการปฏิบัติไปพร้อมๆกันการศึกษากับการปฏิบัตินี้ไม่จําเป็นจะต้องแยกเป็ น, เ ป, นเป็นคนละภาคกันคือบางทีบางคนคิดว่าต้องศึกษาสักสิปีก่อนแล้วค่อยมาปฏิบัติ อย่างนี้ไม่ใช่ศึกษาวันนี้วันนี้ก็เอาไปปฏิบัติได้ศึกษาในเรื่องที่เราต้องการจะปฏิบัติเช่นเรื่องศีลห้าเราก็ศึกษาไปพอเรารู้ว่าศีลห้ามีอะไรล้วก็ปฏิบัติได้เลยไม่ใช่รอให้ให้เราเรียนจบพระไตรปิฎกก่อนแล้วค่อยมารักษาศีลช่วงนี้เราก็ทําบาปกันไปก่อนอย่างนี้มันก็มันก็ไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องวิธีการที่ถูกต้องก็คือปฏิบัติไปศึกษาไปแล้วปฏิบัติไปพร้อมๆกันได้ นี่คือเรื่องของธรรมะอันเลอธรรมเสร็ที่เป็นที่พึ่งทางใจของพวกเราที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยาทาวาเลวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุ ป, ปกัปติ ยิดชีต่างปฏิตั้งตุหังคิดว่ามวาสมิชาตุสัพเพตุเรนตุสังกปายันโทปนะราโสยธามณิโชตีลาโสยธาสัพพิติโยวิวัจฉาตุสัพพโรโวินัสตุมาเตภวตุอันตราวิสุขีทีขายุโกภวะ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 YouTube พระอาจารย์สุชาติไลฟ์สองร้อยสี่สิบห้ายู u ูบด็อกเตอร์วีชแนลเก้าสิบเจ็ดวิทยุออนไลน์สิบเอ็ดคลับเฮาแปดและหน้ากุติหนึ่งรอยเก้าสิบสองรวมทั้งหมดเก้าร้อยเก้าสิบสามคนคะ่ะมีคำถามก็ได้คำถามแรกจากคุณแพงไงแพงใจขอะโทษค่ะ กลับเรียนสอบถามพระอาจารย์ในกรณีที่ทอนเงินให้ลูกค้าขาด และมาตรวจพบภายหลังโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะผิดสีนข้อสองทำให้รู้สึกผิดในใจตำหนิตัวเองว่าขาดสติทำพลาดไปควรจะวางใจอย่างไรขอพระอาจารย์โปรดชี้แนะเจ้าค่ะคือเริ่มต้นก็ให้รู้ว่าถ้าเราไม่มีเจตนาที่จะเอาทรัพย์ของเขาอันนี้ก็ไม่บาปถือว่าเป็นอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ขาดสติไม่รอบคอบก็ ทั้งต่อไปก็ให้มีความระมัดระวังหให้มีสตินับเงินนับทองอะไรให้ถูกต้องอแต่ไม่ต้องมากังวลเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการกระทำบาปใ่างไรแล้วถ้ามีโอกาสคืนเงินเข้าไปให้เขาได้ก็คืนไปให้เขาคาถามจากคุณพาณีถ้าต้องประกอบอาชีพเช่นทุบหัวปลาเพื่อนํามาประกอบอาหารขาย ถือเป็นบาปหรือไม่คะใช่ถือว่าเป็นการทําบาปแบบเดรัจฉานเดรัจฉานก็ต้องเลี้ยงชีพด้วยการฆ่าผู้ถ้าเราไปฆ่าผู้เพื่อเป็นการเลี้ยงชีพตายไปเราก็ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานแล้วเป็นชาติเดรัจฉานคำถามจากคุณเลมอนฮันนี่กราบพระอาจารย์ค่ะขอสอบถามเรื่องการเจริญสติ เราสามารถทำบุญด้วยการเจริญสตินี้อย่างเดียวได้ไหมคะกราบขอบพระคุณค่ะ อ, อ๋อมันได้แต่มันยากเพราะการเจริญสติถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับการ เ, เรียนหนังสือระดับปริญญาถ้าเรายังเป็นอนุบาลอยู่แล้วเราไปเรียนระดับปริญญามันก็จะเรียนไม่ได้ทำไม่ได้การเจริญสตินี้มันเหมาะกับผู้ที่เขาเป็นนักบวช พู้ที่เขามีเวลาให้กับการเจริญสติตลอดเวลาแต่ถ้าเรายังต้องทำอาหากินเลี้ยงชีพอยู่เราต้องใช้ความคิดการที่เราจะเจริญสติอย่างเดียวนี้มันการทำได้ยากถ้าเราอยากจะได้บุญส่้เอาไ ป, ไปทาบุญทาทานดีกว่าได้ง่ายกว่าได้เร็วกว่าได้แน่นอนด้วยถ้าจะหวังจะเอาบุญจากการเจริญสติเสียดายสเสียดายสตัง หอาไปสติก็ไม่ได้ได้แต่สตังคนที่เขาเจริญสติได้อย่างอย่างมีมีประสิทธิภาพนี้เป็นคนที่เขาไม่ต้องหาสตังแล้วเขาเลิกหาสตังเขาลาออกจากงานแล้วเขาไปบวชไปปฏิบัติธรรมอย่างนั้นนะถึงจะได้บุญจากการเจริญสติเพราะต้องเจริญสติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับเลยคำถามจากคุณดิมเปิลโอเอ กราบเรียนถามท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะการที่เรามีอยากมีเงินเอาไว้ทาบุญถือเป็นกิเลสความโลภหรือไม่เจ้าคะคือถ้าเรายังไม่มีแล้วอยากได้มาทาบุญ น, นี่ก็เป็นความโลภเป็นความกิเลสเพราะการทาบุญนี้ให้เราทำกับเงินที่เรามีอยู่แล้วเงินที่เหลือกินเหลือใช้อย่าไปทรมาหากิจพยายามไปหาเงินหาทองมาเพื่อเอามาทาบุญอันนี้มันก็จะ ไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์มากการทําบุญนี้ต้องการละความโลภจากการได้เงินได้ทองเพราะว่าถ้าเราไม่ทําบุญเราก็อยากจะให้เงินทองที่เรามีอยู่เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแต่ถ้าเราเอาไปทําบุญเรื่อยๆมันก็จะไม่มากขึ้นเมื่อมันไม่มากขึ้นเราก็จะไม่อยากเราก็จะไม่โลภอยากจะได้ให้เงินมันมากขึ้นเพราะว่าได้มามากแล้วก็ไปทําบุญอยู่ดีก็เลยไม่รู้แปไปโลภมันทําไม ก็ทำแบบตามปกติไปถ้าได้มามากเกินความจำเป็นก็เอาไปทำบุญถ้าไม่มีก็ไม่ต้องทำบุญทำอย่างอื่นได้บุญมีหลายวิธีด้วยกันคำถามจากคุณแว็กสุวรณีกราบสอบถามหลวงพ่อคะ่ะการภาวนาแบบใดที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้บ้างคะเื่อการฝึกสตินี่แหละ การให้เรามีพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆหรือให้เราเฝ้าดูการกระทําของร่างกายตลอดเวลามิสติอยู่การที่เรากําลังทํางานอยู่ไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ให้มีสติจดจอ่อเฝ้าดูการาการทำงานอย่างเดียวอย่าให้ใจไปคิดเรื่องอื่นวางค้ำให้อยู่กับงานที่เราทําอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นการฝึกสติในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ ยังไม่ได้สติแบบสมบูรณ์เพราะว่าเป็นสติที่เรายังต้องใช้ความคิดอยู่ถ้าเราต้องการสติที่มีประโยชน์ต่อาการฝึกสมาธิแล้วต้องฝึกสติแบบไม่ใช้ความคิดแต่บางทีเวลาเราทำงานเรางต้องใช้ความคิดอยู่ก็จะไม่สามารถฝึกสติแบบที่ไม่ไม่คิดได้คำถามจากคุณปูเป้ ค, ค่ะเรียนพระอาจารย์ครับการทาวิปัสสนาภาวนา จำเป็นต้องทำสมาธิภาวนาให้ถึงฌานสี่ใช่ไหมครับใช่เบื้องต้นต้องพยายามสร้างความสงบให้กับใจก่อนให้ใจมีความสุขในตัวเองก่อนแล้วใจก็จะสามารถไปพิจารณาความสุขนอกตัวเองได้ว่ามันเป็นความทุกข์พอเห็นว่ามันเป็นความทุกข์ก็จะได้หยุดความอยากที่จะไปหาความสุขภายนอกใจคำถามจากคุณพิมพ์ณพอสอบถามพระอาจารย์ค่ะ คือเห็นคนเขาทำร้ายสุนัขแล้วทำให้จิตใจของลูกหดหูและทุกข์ใจมากควรวางใจอย่างไรคะก็วางใจว่ามันเป็นกรรมของผู้กระทำและของผู้ที่ถูกกระทำผู้ที่ถูกกระทำก็เพราะว่าอดีตชาติอาจจะไปกระทำเข้ามาก่อนก็เลยต้องมาถูกเขากระทำส่วนผู้ที่กระทำเขาในชาตินี้เดี๋ยวชาติหน้าก็ต้องไปถูกเขากระทำนี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรม ที่เราไม่สามารถที่จะไปยับยั้งได้ถ้าเราห้ามเขาได้ก็ห้ามถ้าเราห้ามไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกฎแห่งกรรมไปคำถามจากคุณกุหลาบค่ะ น้อมกราบสอบถามท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าเวลาลูกนั่งสมาธิตอนแรกก็นั่งตัวตรงๆแต่พอนั่งไปสักพักรู้สึกว่าตัวเองลงเกิดจากอะไรเจ้าคะและจะทำยังไงถึงจะไม่มีอาการแบบนี้ก็ส่วนหนึ่งก็คือสติเรายัางไม่มีกำลังมากพอแต่ก็ไม่ต้องกำังวลเกี่ยวกับเรื่องของท่าของร่างกาย พอเราเริ่มนั่งสมาธิแล้วให้เราอยู่กับการภาวนาเพียงอย่างเดียวถ้าเราดูลมก็ดูลมไปอย่างเดียวพุโทโธก็พุโทโธไปไม่ต้องไปสนใจท่าของร่างกายว่าจะงอหรือไม่งอจะเอ็หรือไม่เอ็นเพราะถ้าเรามมยแต่มากังวลเกี่ยวกับท่าของร่างกายการภาวนาของเราก็จะไม่สำเร็จจะไม่ได้ผลใั้นเวลาเราภาวนาแล้วไม่ต้องกังวลเกี่ยวเรื่อง เรื่องท่าของร่างกายว่าเอ็นหรือไม่เอน็นงอหรือไม่งอป้ายมันเป็นไปตามเรื่องของมันถ้าสติเราดีมันก็จะไม่งอแต่ถ้าสติเราไม่ดีมันก็จะงอตอนดีไม่ดีคอก็พับด้วยคอก็พับแล้วก็หลับไปด้วยหมดแล้วค่ะหมดแล้ ว, ลวเหรอการนั่งสมาธิต้องจดจ่ออยู่ที่อารมณ์ที่เราใช้ควบคุมใจให้สงบ เป้าหมายของการนั่งสมาธิให้ใจสงบไม่ใช่ให้นะไม่ใช่ให้ร่างกายตรงร่างกายไม่ตรงก็ได้แต่ถ้าใจสงบก็ถือว่าสำเร็จประโยชน์ได้ผลแต่ถ้าเราโมแต่มาคอยดูให้ร่างกายมันตรงพองอ ก, ก็ตั้งมันขึ้นมาใหม่พองอ ก, ก็ตั้งมันขึ้นมาใหม่ก็จะไม่ได้ภาวนาใจก็จะไม่มีวันสงบได้ดังเพเวลาเราเริ่มภาวนาแล้วให้อยู่กับพุโทโธไปแล้วอยู่กับลมหายใจไปเพียงอย่างเดียว ไม่ต้องกังวลกับท่าของร่างกายมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราเลิกแล้วจะมาถามจะให้พูดหรือไม่ไม่มีกำลังแล้วนะเพราะพูดตอนนั้นมันไม่มีเสียงมันไม่มีเสียงใหม่มันพูดต้องต้องเป็นเสียงดังตอนนี้แรงมันจะหมดอยู่แล้ว เพะเวลาที่เลอกแล้วไม่มีหม้แล้วนี่ถ้าจะมาถามจะเสียงมันค่อยมากแล้วพูดจะไม่ค่อยได้ยินแล้วก็ต้องมีการกระทําอะไรอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคนนั้นจะมาขอถ่ายรูปคนนี้จะมาลาพอมาคุยธรรมะ ช, ช่วงนั้นมันจะไม่มันไม่เหมาะสมมันจะไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรถ้าอยากจะคุยอยากจะรู้อะไรก็ถามตอนนี้ได้ถ้าไม่อยากจะให้เขารู้ว่าเป็นคําถามของเราก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้าขมาก็ได้ ไม่ต้องอายหราคนเรามีกิเลสเหมือนกันมีปัญหาเหมือนกันทุกคนและมีอะไรก็ถามได้โอเคนะถ้าไม่มีวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไป พ, พิจิารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ